ตอนที่69ในที่สุดก็ได้ครองคู่ซูมานอินกลับมาถึงไห่เฉิงและตามเกาฉางเหอไปที่บ้านของเขาทั้งสองยังไม่ทันได้ขอประตูประตูก็ถูกเปิดออกเสียก่อนเราพวกคุณตั้งนานแล้วรีบเข้ามาในบ้านเถอะชินเสี่ยวเยเว่พูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพลางดึงตัวซูมานอิงเข้าไปในบ้านซูมานอินนึกไม่ถึงว่าชินเสี่ยวเยเว่จะย้ายมาอยู่ที่บ้านตระกูลก็เป็นการถาวรแล้ว ก็เติกลับกลมไปแล้วคุณแม่กับพี่สาวกําลังยุ่งอยู่ในห้องครัวนะรีบนั่งเถอะทาตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเองนะชินเสี่ยวย่าวซูม่านอินหาโอกาสเข้าไปอีกเอวเพื่อสนิททีหนึ่งเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นแล้วใช่ไหมชินเสี่ยวเยเว่หลบได้อย่างคล่องแคล่วพรางยิ้มกะลอนม่านอินเธอยังไม่ได้แต่งให้พี่ใหญ่เลยนะพวกเราเนี่ยังถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันอยู่นะจ๊ะม่านอินมาแล้วเหรือรีบนั่งเถอะซุนอวิมิ่นเช็ดมือกับผ้ากันเปื้อนพรางเดินออกมาจากห้องครัวเพื่อต้อนรับ สวัสดีค่ะคุณนะหนูคือไอ้คุณไม่ใช่ซูมานอินจำสุนอวีหมิงได้หญิงชาราคนนั้นที่เคยยืนหยัดเข้าข้างเธอตอนทะเลาะกันที่ร้านอาหารนั่นเองในขณะที่เธอกําลังอึ้งเกาหยา ก, ก็โผล่หน้าออกมาจากห้องครัวเช่นกันสวัสดีค่ะสหายซูมานอินฉันชื่อเกาหย่าเป็นพี่สาวของช้างเฮิรค่ะซูมานอินอึ้งไปอีกรอบก่อนจะเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเธอหันไปทุบ ก, กําปั้นใส่เกาช้างเหอที่หนึ่งนี่คุณกล้าปิดบงังฉันเหรอ เกาช้างเหินกุมหน้าอกม่านอินผมไม่ได้ปิดบังคุณจริงๆนะเป็นคุณแม่กับพี่สาวที่แอบไปกันเองผมเพิ่มมารู้ทีหลังนี่แหละคุณแม่กับพี่สาวเขาก็เป็นห่วงเธอนี่นาชินเสี้ยวเย้าช่วยผู้เสริมซูม่านอินตำหนิเสียงเบายัคนธรทรยศเอาหน้าเดี๋ยวพวกเราก็ต้องถูกสยบเข้าบ้านเดียวกันหมดแล้วจะไปใส่ใจรายละเอียดพวกนี้ทําไมการในขณะที่กําลังหยอกล้อกันเกาเจี้ยนกัวก็เดินออกมาจากห้องช้างเหอนนี่คืนแฟนของลูกเหรอ ซูมานอินเห็นพ่อของเกาช้างเหอมีสีหน้าเคร่งครึมก็รู้สึกประม่าเล็กน้อยใครจะไปรู้ว่าชิงเสียวเวยเวยจะเสนอหน้าเข้าไปหาด้วยท่าทางระรื่นคุณพ่อคนนี้ไงคะคนที่คุณพ่อบน่นถึงบ่อยๆวีรัสตรีหญิงยุคใหม่ที่ใช้ภาษาอังกฤษต่อกับชาวต่างชาติบนรถไฟอย่างดูเดือดซูมานอินคะซูมานอินมองการพูดจาเพ้อเจ้อของเพื่อนสนิทและนึกในใจว่านี่ไม่ใช่การหาเรื่องให้เธอโดนผู้เท่าเก่าเพ่งเลงหลอกเหรอเธอกําลังกังวลอยู่แต่เกาเจี้ยนกัวกลับหัวเราออกมาเสียงดัง ชางเหอลูกดูม่านอินสิเก่งกว่าลูกตั้งเยอะเก้าช้างเหอหน้าแดงครัพ่อผมสู้ม่านอินไม่ได้จริงๆซูม่านอินยิ้มหวานพางก้าไปข้างหน้าแล้วเรียกอย่างนอบน้อมว่าคุณลุงคะเรียกคุณลุงอะไรกันเรียกพ่อเหมือนเสี่ยวเยเว่ไปเลยใช่คะเรียนแบบฉันนี่ชินเสี่ยวเย่าทำหน้าภาคภูมิใจเธอพบว่าที่บ้านตระกูลเก็ขอแค่ปากหวานหน่อยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลย ในที่สุดเธอก็ได้ใช้ชีวิตแบบอ้าปากก็มีข้าวมาจอถึงที่ยื่นมือก็มีเสื้อผ้ามาให้ใส่เป็นชีวิตที่แสนสุขสบายจริงๆซูมานอินมองเกาฉางเหออย่างลังเลแต่ในวินาทีสําคัญเขากลับเบือนหน้าหลบเสียอย่างนั้นซูมานอินรวบรวมสมาธิแล้วก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวคุณพ่อคุณแม่พี่สาวลูกสะใภ้คนโตของตระกูลเกามารายงานตัวค้าชินเสี่ยวเยเว่ที่เดิมทีตั้งใจจะดูเรื่องสนุกกลับนึกไม่ถึงว่าซูมานอินจะเล่นไม้นี้ ท่านใดนั้นทั้งพ่อสามีแม่สามีและพี่สามีต่างก็รุมล้อมเข้าไปหาซูม่านอินทั้งถามถ่ายสารทุกสุขบีบและเอ่ยชมไม่ขาดปากจนกลายเป็นว่าเธอถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวแทนน้องสะพ้ยเธอเนี่ยยังสู้พี่สะพ้ยไม่ได้จริงๆนะเกาช้างเหอนทำถ้าภูมิใจอยู่ข้างๆชินเสี่ยวเยกลอกตาไปมาปล่อยให้ภูมิใจไปเถอะเดียวฉันจะแอบเอาหนังสือประลมโล่ไปยัดใส่ให้เพื่อนรักดูสิว่าตอนเข้าหอพี่จะรับไหวไหมงานแต่งงานถูกจัดขึ้นในช่วงก่อนวันขึ้นปีใหม่ ซูมานอินนึกไม่ถึงว่าการแต่งงานของเธอที่ไม่ได้แจ้งข่าวอะไรมากมายกลับมีของขวัญส่งมาอย่างต่อเนื่องเริ่มแรกคือพนักงานจากโรงงานทอผ้าและโรงงานเครื่องจักรที่ส่งทั้งเงินขวัญถุงและของขวัญมาให้จากนั้นวิสาหกิจต่างๆในอำเภอก็เริ่มส่งของมาให้เช่นกันแม้แต่ป้าหวังและลุงหลินจากในหมู่บ้านก็ยังส่งเนื้อหมูและซี่โครงหมูมาให้ที่แปลกที่สุดคือพี่เคยเฟิงต้าจินถึงขั้นขับรถบรรทุกขนาดเล็กขนของขวัญเข้ามาในบ้าน เดี๋ยวสิทั้งหมดนี่ใครส่งมาเหรอสุนอวีหมิ่นยืนอยู่หน้าเรือนหอของลูกชายพลางถามลูกเขยด้วยความสงสยัยทั้งหมดนี้นะ้สาวเป็นคนจัดการครับบอกว่าเป็นน้ําใจจากโรงงานอื่นๆในเมืองที่ส่งผลิตภัณฑ์และของขวัญจากโรงงานของตัวเองมาเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับงานแต่งงานของซูมานอิงครับพอได้ยินว่าเป็นของสปายสุนอวหมิ่นก็ยิ้มจนแก้มปริที่สาวสองคนของเกาฉางเหอที่อยู่ข้างๆต่างพากันค้อนใส่สุนอวหมิ่น ตาจริงนึกว่าพวกเธอแต่งเมียเข้าบ้านเสียอีกที่ไหนได้นึกว่าเข้าพิธีแต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงจนกลายเป็นเจ้าหญิงไปแล้วนะเนี่ยนั่นสีสิงเดิมเยอะขนาดนี้พวกเธอจะมีที่เก็บเรอหรือว่าจะเอามาฝากไว้ที่บ้านฉันบ้างไหมล่ะสุนอวิมิ่งได้ยินแล้วก็รู้สึกรำคาญพอค่อนแค้เสร็จก็จะเอาของอีกช่างหน้าไม่ไอายจริงๆโทษคุณป้า ท, ทั้งสองค่ะอากาศหนาวจัดขนาดนี้ทำไมยังแช่แข็งปากพวกคุณไม่ได้อีกนะชินเสียวยาวเปิดฉากยิงทันทีตอนนี้เธอใจแข็งมากไม่กลัวพวกผู้ผีปีศาจเหล่านี้หรอก ที่สไยของฉันมีบ้านสองหลังในเขตบ้านพักพนักงานต่อให้ของเยอะกว่านี้ก็มีที่เก็บค่ะเฮ้น้องสไยลูกสไยคนนี้ของเธอทําไมพูดจะจิกัดคนอื่นแบบนี้ล่ะใช่ไม่รู้จักเคารพผู้ใหญ่เอาเสียเลยเกาเติงที่ลางงานกลับมาพอดีเดินตรงมาทางนี้ฉินเสียวเยเว่พันตาแดงก่ำพางเข้าไปเกาะแขนเกาเติงเกาเติงป้าทั้งสองคนดูฉันค่ะที่สาวทั้งสองคนถึงกับอึง้งเดี๋ยวสิลูกสายคนนี้ทำไมถึงพูดโกหกแบบนี้ล่ะ ใช่วพวกเราไปดุเธอตอนไหนคุณป้าใหญ่คุณป้าเล็กผมยืนอยู่ตรงนี้พวกคุณยิงดูขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าตอนผมไม่อยู่พวกคุณรังแกเสี่ยวเยเว่ของผมขนาดไหนเก้าตึงหน้าคำํำพางจ้องมองป้าทั้งสองคนถ้าไม่อยากมาร่วม ง, งานแต่งงานก็อยู่ห่างๆบ้านพวกเราไว้ไอ้เด็กบ้าแกมันแกอะไรกันเสี่ยวเยเว่ของผมกําลังตั้งท้องนะถ้าพวกคุณกล้าทําให้ลูกผมตกใจผมจะสู้ตายกับพวกคุณ ชินเสี่ยวเย้เวนึกในใจว่าเธอไปท้องตอนไหนกันไม่สิเธอท้องแล้วเพิ่งท้องเมื่อกี้เลยเก้าเติ่งโอ๊ยฉันปวดท้องค่ะจริงเหรอเนี่ยแล้วจะทํำยังไงดีซุนอวีมินพอได้ยินว่าลูกสะพายท้องก็ไม่สนว่าจริงหรือปลอมรีบปรีเข้าไปหาทันทีเก้าเจี้ยนกลัวคุณมัวไปมุดหัวอยู่ที่ไหนดูสิว่าบ้านเราถูกพี่สาวสองคนของคุณรังแกจนเป็นยังไงแล้วเมื่อเห็นเก้าเจี้ยนกลัวเดินมาด้วยความโกรธจัดป้าทั้งสองคนก็รีบหาจังหวะเพ่นหนีไปทันที เสี่ยวเยเว่ลูกไม่เป็นไรใช่ไหมแม่ข น, นูไม่เป็นไรแค่จริงๆแล้วหนูท้องจริงๆครับก็ติงหยิบใบตรวจร่างกายออกมายังจําตอนตรวจสุขภาพเมื่อสัปดาห์ก่อนได้ไหมชินเสี่ยวเยเว่มองลายลักษณ์อักษรบนนั้นแล้วรู้สึกมึนงงไปชั่วขณะต่อไปจะพูดโกหกส่งเดชไม่ได้แล้วนะเนี่ยเพราะมันมันจะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาน่ะสิในขณะนั้นรถเจ้าสาวของเกาฉางเหอก็มาถึงลานบ้านของซูมานอีกแล้ว โจเว่หมิงครอบครัวของโจเตอซุนและสองแม่ลูกจางชุยหัวต่างก็รอยอยู่ที่หน้าประตูคุณแม่น้อยรถมาแล้วค่ะซุนจิวหลิงประคองสูม่านอินเธอยังคงชินกับการเรียกซูม่านอินแบบนี้จิวหลิงฉันไม่ใช่คุณแม่น้อยของเธอแล้วนะปรับใดที่คุณยิงอยู่ในลานบ้านนี้คุณก็เป็นเสมอค่ะสูม่านอินกุมมือซุนจิวหลิงไว้แน่นขอบใจนะจิวหลิงถ้าไม่มีเธอฉันคงเดินมาไม่ถึงวันนี้ซุนจิวหลิงยิ้มทั้งน้ําตา คุณไม่น้อยพวกเราต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณเอาละพวกเราเลิกขอบคุณกันไปมาได้แล้วรถเจ้าสาวมาถึงแล้วพวกเราออกเดินทางกันเถอคะค่ะอืมซูม่านอินคล้องแขนซุนจู่หลิงพลางค่อยๆเดินออกจากห้องที่นอกลานบ้านเกาฉางเหอถือช่อดอกเหมยสีแดงที่ทําจากผ้าไหมพลางเดินยิ้มตรงมาที่ลานบ้านโจ้ยกัวและจางเซาเจียพันพบว่าซุนเสียเส่ยวเสี่ยก็ตามรถมาด้วยซุนเสียเส่ยวเซี่ยทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะที่ชายฉันแต่งงานฉันก็ต้องตามมาสิ ซุนเสียเส่ยวเซี่ยยิ้มร่าโจวเว่ยกัวอึ้งไปเธอเป็นน้องสาวของเกาชังเหอเหรอจางเซ้าเจี๋ย ป, ปฏิกิริยาไวมากเธอใช้นามสกุลตามแม่ใช่ไหมซุนเสียเส่ยวเซี่ยพยักหน้าใช่เหมือนกับนายนั่นแหละโจวเว่ยกัวมองใบหน้าที่ยิ้มแย้มของซุนเสี่ยวเซี่ยวและจางเซ้าเจี๋ยแล้วรู้สึกอิจฉาในใจลึกๆซูมานอินเดินออกจากประตูบ้านเห็นเกาชังเหอในชุดสูทกำลังถูกพวกโจวเว่ยหมิงแกล้งอยู่ที่หน้าประตูเธอก็ยิ้มออกมาด้วยความสุข เกาช้างเหออย่างไรเสียก็เคยเป็นทหารมาก่อนเขาโปรยลูกอมมงคลกําหนึ่งจากนั้นก็เบี่ยงตัววูบเดียวก็มุดเข้าไปในลานบ้านได้สําเร็จเขาจัดระเบียบชุดสูทเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปใกล้สู่ม่านอินม่านอินคุณสวยจริงๆรซูม่านอินจ้องมองเกาฉ้างเหยือเป็นครั้งแรกที่เธอเผยรอยยิ้มที่เอียงอายออกมาเธอคล้องแขนเกาช้างเหอเดินออกจากประตูบ้านในขณะที่กําลังจะขึ้นรถเจ้าสาวก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นคุณนารอเดี๋ยวครับ เห็นซุนยองเฉียงในชุดเครื่องแบบทหารพร้อมด้วยหลิวโปโลและหลวนอวี๋หล ย, ยกเครื่องเล่นเทปเครื่องใหม่อีมวิ่งตรงมาคุณน้ายินดีด้วยกับงานแต่งงานนะครับซุนยองเฉียงยื่นอ่างเป่าให้นี่คือเบียเลี้ยงก้อนแรกของผมอาจจะไม่มากแต่มันคือความตั้งใจของผมครับคุณนะ้าโปรดรับไว้ด้วยนะครับซุนยองเฉียงทําความเคารพแบบทหารอย่างมาตรฐานซูมานอินรับเบียเลี้ยงไว้พลางชี้หน้าดูเจ้าเด็กแสบทั้งสามคนพวกเธอนี้นะใช้เงินสิ้นเปลืองจริงๆ ในขณะนั้นเสียงประทัดก็ดังขึ้นซูมานอินตกใจจนรีบซุกตัวเข้าไปในอ้อมกอดของเกาฉางเหอท่ามกลางสายฝนสีแดงของประทัดต้ตาตี้หงที่ปีวันทุกคนต่างก็มีรอยยิ้มที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขนน่นคือความปรารถนาและความหวังที่มีต่อชีวิตที่ดีงามในวันข้างหน้า